ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่39ในเรื่องพระรัตนตรัยก็อยากจะมาทวนซะอีกครั้งหนึ่งคราวที่แล้วก็มาได้ย้ำให้ครบทั้งสามอย่างพย้ยาแต่พระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยนั้นก็มีสามอย่างด้วยกัน คำรัตนะก็แปลว่าดวงแก้วคือสิ่งที่มีค่าแต่เดิมมานี้ก็เรียกสิ่งที่มีค่าว่าแก้วนะสมัยนี้ก็มาให้ความสําคัญเรื่องเงินทองทองเพชรถือว่าเพชรนี้มีค่ามากความจริงเพชรนั้นก็อยู่ในแก้วเนี่ยอยู่ในรัต น, นะในรัตนะหรือแก้วเนี่ยมีเยอะแยะไปหมด แต่ไม่ใช่แก้วน้ำนแต่พวกดวงแก้วสมัยก่อนนี้เราพูดถึงอะไรที่ดีมีค่าแล้วก็แก้วแก้วแหวนเงินทองหรือคนดีก็เป็นแก้วลูกดีก็เป็นลูกแก้วพ่อดีก็เป็นพ่อแก้วแม่ดีก็เป็นแม่แก้วคนภายหลังก็มาพูดเป็นเล่นไป พ่อแก้วแม่แก้วหมายความพ่อก็แก้วหนึ่งแม่ก็แก้วหนึ่งหมายความว่าเล่าคนละแก้วอันนี้มันเป็นเรื่องของคนแผงแผงนะแต่ว่าเอาความว่าคาว่าแก้วก็คือรัตนสิ่งที่มีค่าสูงสุดอันนี้สำหรับคนทั่วไปก็ไปมองวัตถุว่าเป็นสิ่งมีค่าก็เป็นเรื่องของ การตกลงกันในสังคมมนุษย์ลองอยู่คนเดียวสิชีวิตของตนแทๆ้ๆสิ่งที่เรียกว่าแก้วทางวัตถุเนะี่ยแม้แต่เพชรเนี่ยจะมีค่าแก่ชีวิตจริงหรือเปล่ามันจะมีค่าในแง่ของความนิยมเอามาอวดกันมาแสดงฐานนะมีความเชื่อมโยงไปที่เรื่องของ การวัดสถานะเป็นตน้นแต่ว่าคุณค่าที่แท้จริงต่อชีวิตเนี่ยโดยตรงเนี่ยมันไม่มีกินก็ไม่ได้ใช่อย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าถ้าหากว่าเราไปติดอยู่บนเกาะไม่มีอาหารจะกินมีเพชรสักกสอบหนึ่งก็ไม่มีประโยชน์นะสู้มีข้าวถังเดียวก็ไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นแก้วภายนอกนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีค่าแท้จริงในตัวของมันเองเป็นค่าที่คนใส่ให้แก่มันตามแต่ตกลงตามแต่กำหนดตามแต่นิยมวัตถุ บ, บางอย่างมีค่าในสมัยนี้พอไปอีกสมัยหนึ่งก็เปลี่ยนไปอีกสมัยหนึ่งไม่นิยมบางทีก็ขึ้นต่อความหายากของมันถ้าเกิดหาง่ายขึ้นมาก็หมดค่า บางทีก็ขึ้นต่อความสวยงามนะซึ่งสวยงามก็เป็นเรื่องภายนอกไม่เข้าไปในเนื้อในตัวชีวิตของเราแก้วเหล่านี้หรือสิ่งมีค่าเงินทองเพชรอะไรก็ไม่สามารถทําให้ชีวิตคนนี้ดีงามประเสริฐขึ้นมาได้ไม่ช่วยให้คนนี้ดําเนินชีวิตได้รู้เข้าใจเกิดปัญญาเข้าถึงความจริงของสิ่งต่างๆได้นะแต่ว่า เรามาเรียกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นรัตนะเป็นแก้วนี้ก็เป็นการเตือนสติคนให้เห็นว่าโอ้สิ่งที่มีค่าที่แท้จริงนั้นนะคืออย่างนี้คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งให้คุณค่าที่แท้จริงกับชีวิตสามารถที่จะทำให้เราเกิดปัญญา รู้เข้าใจความจริงขั้งสิ่งทั้งหลายเมื่อเราไปยึดถือไปเกี่ยวข้องไปอาศัยท่านเราก็จะได้รับการชักนำแนะนำสั่งสอนหรือให้หลักให้แนวทางที่ทำให้เราเนีเกิดปัญญาแล้วสามารถดำเนินชีวิตพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นมาทำชีวิตที่เป็นบุตุชนที่เป็นคนที่ ไม่มีความรู้ไม่มีความดีไม่มีปัญญาไม่มีคุณธรรมเนะี่ยให้เป็นชีวิตที่ดีงามประเสริฐขึ้นมาได้ดำเนินชีวิตถูกต้องแล้วเรารู้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีค่านี้เราจะไปสร้างสรรอะไรต่างๆภายนอกตัวก็ได้สร้างสรรในตัวเราไม่พอสร้างสรรภายนอกสร้างสรรทรัพย์สินเงินทองแม้แต่ที่เรียกว่ารัตนะภายนอก อย่างที่เขานิยมกันมันก็สามารถสร้างได้ในการที่ว่ามีรัตนะอยู่ภายในก็คือพระธรรมนี่เลยหรืออย่างคนที่มีรัตนะภายนอกไม่มีรัตนะภายในเช่นความดีงามไม่มีปัญญาก็ ร, การักษารัตนะภายนอกไม่อยู่อย่าว่าแต่คนธรรมดาเลยแม้แต่พระเจ้าจากักรพรรดิผู้ปกครองชั้นยอดมีรัตนะเจดประการมีจักรรัตนะเป็นต้น ก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมะถ้าไม่ปฏิบัติตามต่อไปรัตนะเหล่านั้นก็ไม <uma. S 1> ่อ Gonna..................... ยู่อย่างจักรรัตนะเป็นเครื่องหมายของอำนาจถ้าไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปก็พระราชอำนาจก็เสื่อมได้ะฉะนั้นตัวรัตนะที่แท้ ก็อยู่ที่สิ่งที่จะนำมาใช้ปฏิบัติใช้ดำเนินชีวิตใช้ฝึกฝนพัฒนาตนเองนี่แหละนะถ้าเรามีพราาะรัตนที่แท้ จ, จริงแล้วก็จะทาให้ชีวิตของเราประเสริฐจนกระทั่งสามารถเข้าถึงความดีงามสูงสุดบรรลุจุดหมายของชีวิตได้ เพราะฉะนั้นจึงถือว่าควรจะมาสนใจรัตนะที่แท้ ก, ก่อนรตนะที่ตกลงสมมติกันนิยมกันก็เป็นเรื่องรองลงไปนะซึ่งบางคนอาจจะไม่เห็นความสําสคัญเลยบางคนนี่เห็นเป็นเกะกะเนยะอย่างบางคนนี่เห็นรสนะภายนอกนี่เกะกะมันเป็นภาระในการเก็บรักษาเป็นห่วงกังวลแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับตัวเองจะไม่ยึดถือเสอย่างนะนะก็เอาไว้สําหรับว่าหาเงินหาทอง เป็นเครื่องอย่างชีพแล้ก็มีประโยชน์โดยอ้อมในแง่นั้นนะก็เรื่องความประเสริฐที่แท้ของรัตนนี้ก็เป็นเพียงผู้ที่เห็นเขานะเราสามารถบรรยายไปได้เรื่อยๆแต่ว่ารัตนะสิ่งมีค่าที่แท้นี้ก็ในทางพุทธศาสนานี่ก็มีสาประการก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ ในแง่ที่มีค่าเปรียบประดุจ ด, ดวงแก้วก็เรียกว่ารัตนะทีนี้ในการที่ว่าจะให้เป็นสิ่งมีค่านั้นก็โดยโยงมาหาตัวเองโดยที่เราเอามาใช้ประโยชน์การที่เรานํามาใช้ประโยชน์นี้ก็คือมาใช้เป็นหลักของชีวิตเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องระลึกนะในแง่ที่เอามาใช้ประโยชน์มาสัมผันธ์กับตัวเรานี้เราเรียกว่าเป็นสระณะนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีชื่อเรียกสองอย่าง โดยสภาวะที่มีค่าสูงสุดก็เรียกว่าเป็นรัตนะโดยแง่ที่เราเอามาใช้ประโยชน์ก็เป็นสรณะนะคือเป็นหลักเตือนระลึกนะสรณะแปลว่าเป็นเครื่องระลึกก็คือเตือนใจให้ระลึกถึงหรือระลึกถึงแล้วก็เตือนใจเราให้เราเนี่ยได้ปฏิบัติ ตามหลักนั้นโดยยุดธท่านเป็นหลักอย่างที่ว่าไปแล้วอย่างพระพุทธเจ้าพอระ ล, ลึกถึงแล้วก็ทำให้เราเกิดความสำนึกในหน้าที่ที่จะต้องฝึกตนแล้วก็เกิดความมั่นใจมีศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ในกการฝึกฝนพัฒนาหรือเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้จะมีชีวิตประเสริฐได้จาการฝึกฝนพัฒนานั้น อย่างที่ว่าไปแล้วก็สี่อย่างแต่ว่าโดยหลักการทั่วไปที่พรรณะสามที่มาเป็นสรณะหลักยึดเหนี่ยวเตือนใจเนี่ยเราก็เป็นศัพที่ไปเทียบกับเรื่องของการยึดถือของมนุษย์ที่มีบาดตรเดิมในศาสนาเก่าๆที่เขาก็มีสรณะเป็นที่พึ่งทีนี้ลักษณะการถือสรณะหรือที่พึ่งของ ศาสนาเก่าๆที่มีมาเดิมก่อนพุทธศาสนาเกิดขึ้นกับที่พุทธศาสนามาสอนใหม่เนี่ยต่างกันอย่างไรนะลักษณะการถือสรณะจะเห็นว่าการถือศรณะแบบเดิมนั้ น, นสิ่งที่เป็นศรณทก็ได้แก่พระเท พ, พเจ้าอำนาจเล่นลับที่มองไม่เห็นที่เรีลว่าเหนือธรรมชาติ ซึ่งในพุทธศาสนานี่เราไม่ยอมรับเราบอกไม่มีอะไรเหนือธรรมชาติหรอกก็เป็นธรรมชาติทั้งนั้นแหละเรายัางไม่รู้เราก็นึกกันเหนือธรรมชาติความจริงก็เป็นสภาวะที่มีอยู่ตามธรรมดาสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมดาตามสภาวะของมันเนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมชาติทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรเหนือธรรมชาติแต่คนแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีความเชื่อในเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติอยู่นี่เขาเชื่อในอํานาจเหนือธรรมชาติเขาก็ยึดเอา สิ่งที่มีอำนาจเหล่านี้นซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเทพเจ้าเป็นตนน้นมาเป็นที่พึ่งความเป็นที่พึ่งของเขาก็คือเขาต้องไปอาศัยชีวิตตั้งเขาเนี่ยต้องขึ้นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจโดนบรรดาลเหล่านั้นเชื่อว่าชีวิตตนเองจะเป็นอย่างไรสังคมตนเองจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่การโดนบรรดาลของท่านการโดนบรรดาลของท่านก็ขึ้นต่อความพอใจไม่ชอบใจของท่าน ถ้าท่านโปรดปรานชอบใจท่านก็โดนบันดาลผลดีให้ท่านไม่พอใจท่านโกรธขึ้นมาท่านก็บันดาลผลร้ายเกิดภัยพิบัติเกิดน้ำท่วมไฟไหม้ฟ้าผ่าแผดดินไหวขึ้นมานะนั้นก็ต้องเอาอกเอาใจให้ท่านพอใจการยึดถือเป็นที่พึ่งก็คือการหวังความช่วยเหลือจากท่านนั่นเองนี่นะหนึ่งแล้วนะหวังความช่วยเหลือจากท่านนี่ในพุทธศาสนานี่ การยึดถือเป็นที่พึ่งนี่มันไม่ใช่การที่ไปรอคอยหวังพึ่งท่านนะยกให้ท่านหรือว่ามอบชีวิตจิตใจให้ท่านแล้วแต่ท่านนะแต่กลายไปว่าพอระลึกถึงสราระในพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัยนี้แล้วเนี่ยมันกลับมาเตือนถึงตัวเองนะสราระในพุทธศาสนานั้นโยมาที่ตัวเองกลายไปว่า พอระลึกถึงพระธรรมนทร์ไตรก็กลายเป็นมาเตือนถึงสิ่งที่เราจะต้องทำนะต่างจากที่ยึดถือในศาสนาโบราณว่าเมื่อถือสรณะก็คือท่านเป็นที่พึ่งให้เราจะไปขอความช่วยเหลือก็เป็นเรื่องของท่านแหละเราก็มอบจิตมอบใจให้ท่านแล้วแต่ท่านนะขึ้นต่อท่านโดยสิ้นเชิงขอพุทธศาสนานี่กลายเป็นเรื่องโยงเข้ามาหาตัวหมดว่าเราจะต้องทําอะไรนะ ขณะการเป็นสรณะนี่ต่างกันเลยต่างกันโดยขั้นพื้นฐานทีนี้สองก็ตอไปก็เคยพูดไปแล้วพอไปยึดถือสรณะภายนอกอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวเหนี่ยวแล้วดึงลงหมายความดึงให้จมบนเวียนอยู่นั้นนะอยู่ในความหลงความหมกบุ่นการที่ฝากจิตฝากใจไว้กับท่านตัวเองก็ไม่รู้จะทําไงในพุทธศาสนานี่พอยึดเหนี่ยวแล้วดึงขึ้นพอไปเกาะไปจับก็ได้หลัก แล้วก็ท่านก็จะชี้ทางแนะนำทางให้เราเดินหน้าจกนกระทั่งเราเป็นอิสระนะนั้นพระพุทธเจ้ามาเป็นสรณะนี่พระองค์ให้เราอาศัยอาศัยเพื่อเราจะได้เรียนรู้สิ่งที่พระองค์ได้ผ่านมาแล้วแล้วเราก็จะได้มาปฏิบัติได้ตนเองจงกนกระทั่งเราก็เป็นอิสระนะถ้าเป็น ศาสนาโบราณเนี่ยเขาจะกลายเป็นขึ้นต่อสิ่งที่เป็นที่พึ่งนั้นตลอดไปเลยจะมีคำสอนในศาสนาแบบนี้ใช่บหมให้มอบจิตมอบใจให้สุดชีวิตเลยใช่ไหมไปอันว่าไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปอนะไรนั้นให้ขึ้นต่อท่านตลอดไปของเรานี่ไปอาศัยเพื่อได้เป็นกัลยาณ น, นามิตรท่านจะได้แนะนำและปฏิบัติเราก็จะเป็นอิสระลุดพน้นด้วยตนเองนะจุดหมายเป็นอิสระไม่ใช่ไปขึ้นต่อ แล้วก็ก็เลยอย่างมาันก็เนื่องมาจากที่บอกว่าพอไปยึดเหนี่ยวแล้วดึงขึ้นเนี่ยพราชี้ทางไปสู่อิสรภาพของแต่ละบุคคลดังนั้นลักษณะการยึดถือสาระก็เลยต่างกันมากทีนี้สาระในพุทธศาสนาที่ว่ามีสามเนี่ยที่ว่าแต่ละอย่างนี่โยมหาตัวเองท่านั้นเล ย, เนยหนึ่งพระพุทธเจ้าก็โยมหาตัวเราอย่างที่ว่าไปแล้วโยมหาตัวเราบอกอ๋อพระองค์ก็เป็นมนุษย์มาก่อนนี่ บำเพ็ญบารมีพัฒนาพราะองค์จนกระทั่งเป็นผู้ประเสริฐเป็นพุทธะถ้าเราก็เป็นมนุษย์มีศักยภาพอันนี้พอเราลึกถึงพระพุทธเจ้าก็โยงมหาตัวเองว่า อ, อ่อให้เชื่อมั่นในศักยภาพนี้แล้วก็เกิดความรู้ตระหนักในหน้าที่ต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองขึ้นไปนพอเราลึกถึงธรรมะเอาโยงมหาตัวเองอีกโยองอยังไงล่ะขอทวนเรื่องพระพุทธเจ้าก่อนเมื่อวานนี้ได้พูด เมื่อวานสื่อนเมื่อวานนี่แหละได้พูดถึงเรื่องของประโยชน์ในการระลึกถึงพระพุทธเจ้า4อย่างใช่ไหมฮะว่าหนึ่งทำให้เกิดศรัทธาความมั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้2ก็ทําให้เกิดความรู้ตระหนักในหน้าที่ของสัตว์ที่ฝึกได้คือมนุษย์นี้ว่าจะต้องเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตนขึ้นไปนั่นถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเรียนรู้ ต้องศึกษาแล้วก็สามก็เกิดกำลังใจว่าพระองค์ได้ปฏิบัติมาแสนยากเย็นยังไงก็ประสบความสำเร็จเราก็มีตัวอย่างนี้สำหรับไว้ปลุกปลอบใจตัวเองให้เกิดความกล้า้ามีความเข้มแข็งที่จะปฏิบัติต่อไปแล้วก็สี่ก็คือว่าได้วิธีปฏิบัติ ที่ประสบการณ์ของพระองค์มาช่วยให้เรานี่ทำได้ง่ายขึ้นไม่ต้องลาบากลองผิดลองถูกอย่างพระองค์เนี่ยทุกอย่างทุกข้อก็น้อมมาที่ตัวเองทีนี้พระพุทธเจ้าก็โยงไปหาธรรมะว่าที่พระพุทธเจ้าได้เป็นพุท ธ, ธะทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าพระองค์ได้เข้าถึงตัวธรรมะได้รู้เข้าใจตัวความจริงในธรรมชาติ แล้วแล้วปฏิบัติให้สอดคล้องทำการโดยสอดคล้องกับกฎธรรมชาตินั้นก็สำเร็จผลขึ้นมาเป็นการสามารถใช้ประโยชน์จากธรรมะคือความจริงในธรรมชาติได้และในการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติที่ทั่วตลอดแม้แต่ชีวิตของตนเองเนี่ยก็เลยทำให้พระองค์เนี่ยมีจิตใจเป็นอิสระหลุดพ้นอันนี้ก็ชี้มาที่ตัวเราว่าอ๋อเราเองนี่ ชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติจะต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาตินี้เป็นไปตามธรรมเราจะทําการอะไรดําเนินชีวิตอย่างไรจะให้ได้ผลดีก็ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องถูกต้องตามตัวธรรมะตามกฎธรรมชาตินี้เพราะนั้นจะปฏิบัติให้ถูกต้องเราก็ต้องเรียนรู้ต้องรู้ความจริงอันนี้นะเรื่องธรรมะนี่ก็โยงมาหาตัวเราแน่นอนนี่ถลยถึ ง, ถ ง, ถงตัวแท้เลยพอถึงธรรมะพระพุทธเจ้านี่ยังชี้มา ให้ถึงธรรมะแต่พอมาถึงธรรมะนี่คือตัวจริงที่จะต้องทําแหละเนีเราจะต้องใช้ธรรมะเป็นหลักในการดําเนินชีวิตเลยเนีเพราะฉะนั้นเราลึกถึงธรรมะนี่ก็เป็นข้อที่สําคัญอย่างยิ่งแท้ากายเป็นแกนในพระัตนาไตรเลยอันนี้พอเรารู้ธรรมะปฏิบัติตามธรรมะใช้ธรรมะให้เป็ น, ป, นประโยชน์ได้ เราก็จะพัฒนาตัวเองของเราแต่ละคนละคนขึ้นมาแต่ละคนละคนที่พัฒนาตัวดีขึ้นมาแล้วในแนวทางที่สอดคล้องถูกต้องตามธรรมะซึ่งเป็นปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญไปแล้วและแนะนำเราเนี่ยเราแต่ละคนก็จะมาเป็นส่วนร่วมสร้างสรรค์ก่อขึ้นมาเป็นสังคมที่ดีงามประเสริฐเป็นชุมชนแห่งอารยบุคคลหรืออารยชนที่แท้จริง ชุมชนแห่งอารยชนที่แท้จริงที่ดีงามประเสริฐมนุษย์ที่พัฒนาแล้วเนี่ยเราก็ให้สัพพิเศษเรียกว่าสังฆะอย่างที่ว่าไปแล้วดนั้นสังฆะก็เป็นจุดเป้าหมายเป็นส่วนร่วมเออเป็นส่วนรวมที่เราจะต้องไปเป็นส่วนร่วมเมื่อเลืล่อนถึงสังฆะก็โยงมหาตัวเราอีกใช่ไหมว่าเออโดยการปฏิบัติตามธรรมะนี่แหละเราเนี่ยจะได้มาร่วมกันสร้างสังคมที่ดีงามที่ประเสริฐซึ่งไม่มีการเดือด ร้อนเบียดเบียนกันอย่างมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายถ้าหากว่าพัฒนาเป็นอารยชนแล้วเป็นอันว่าชุมชนหมู่ชนหรือสังคมเนี่ยเลิกไม่มีการเบียดเบียนแล้วนะแต่เวลานี้มันยังไม่สามารถสร้างได้ไ ม, มันก็ยังเป็นสังคมกันอยู่เมื่อไหร่จะเปลี่ยนสังคมเป็นสังฆะได้ที่จริงคําว่าสังคมนี้มันเป็นศัพท์สมัยใหม่สมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีความหมายอย่างปัจจุบัน สังคมสมัยก่อนก็แปลว่าการที่คนมาเจอกันไปด้วยกันเท่านั้นเองนะคำว่าสังคมนี่เป็นรากศัพท์เดียวกับคำว่าสงครามเพราะบาลีนี่สังคมะแปลว่าไปด้วยกันหรือไปเจอกันสังขามะก็หมายถึงที่ที่คนไปเจอกันแต่ไปเจอกันแบบเป็นศัตรูนะแทนที่ไปเจอกันดีนี่เป็นเจอแล้วไปสู้กันนะไปฆ่ากัน ไปทำร้ายกันสังขามะก็แปลว่าที่คนไปเจอกันเพราะฉะนั้นคำว่าสงครามเนี่ยมาจากสาษากฤตที่จริงบาลีเป็นสังขามะสังคมกับสงครามนี่เป็นศัพท์มาจากรากศัพท์เดียวกันเล ย, เยมาจากสังกับธรรไปเจอกันไปร่วมกันทีนี้สังคมปัจจุบันนี่ ดีไม่ดีจะเป็นสงครามเข้าไปทุกทีใช่ไหมสับเดียวกันนะสับเดียวกันเพราะว่ามนุษย์นี่ปลุกยุกระตุ้นเราให้มีความโลภเห็นกันตัวจะเอาประโยชน์ให้กับตัวเองก็ต้องไปมองเพื่อนมนุษย์เป็นศัตรูเป็นคู่แข่งเป็นปรับปักจะไปแย่งไปชิงไปหาผลประโยชน์จากเขาเพราะฉะนั้นถ้าให้ไม่พัฒนาคนให้ดีให้ถูกหลักก็จะทาให้สังคมมนุษย์กลายเป็นสงคราม นะซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็เป็นมากแล้วคนที่อยู่ในสังคมอย่างนี้มีสงครามภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขที่แท้จริงจึงมีปัญหาชีวิตจิตใจไม่มีความสุขมีความเครียดนะไม่ค่อยมีมัตรีจิตมิตรภาพนะมีปัญหาสังคมมากมายเอาเพื่อนมนุษย์เป็นเหยื่อกันเนี่ ย, ยหาผลประโยชน์จากเพื่อนมนุษย์กันไม่รู้ว่า กี่อย่างอย่างโสเภณีเด็กนี่ก็มาจากเรื่องมนุษย์เอาผลประโยชน์จากกันใช่ไหมชัดเจนเอามนุษย์เป็นเหยื่อค้าท่าสนั่นเองเป็นทาสสมัยใหม่คือการค้ามนุษย์ชนิดหนึ่งหรืออย่างยาเสพติดนี่ก็ชัดใช่ไหมก็คือว่ามนุษย์เนี่ยเอามนุษย์ในกลายเป็นเหยื่อหาเงินหาทองจากเพื่อนมนุษย์ให้เขาต้องมาเสพให้เขามาติดแล้วตัวเองก็จะได้เงิน อันนี้ก็คือมนุษย์ไม่ได้มีเจตนาดีต่อกันเพราะฉะนั้นสังคมแบบนี้ก็เป็นสังคมแบบสงครามแบบในยุคที่ผ่านมาเข า, าเรียกว่าสงครามจิตวิทยาใช่ไหมไม่ได้มาออกรบกันด้วยการใช้อาวุธชัดเจนะเป็นสงครามจิตวิทยาเวลานี้มนุษย์ก็อยู่ในสงครามจิตวิทยาตลอดเวลานั้นสังคมอย่างนี้จะมีความสุขได้ยังไงก็ต้องหาทางเปลี่ยน สังคมนี้แทนที่จะไปให้เป็นสังขามะหรือสงรามก็ให้มาเปลี่ยนเป็นสังคะนะถ้าพัฒนาคนให้ดีบรร ม, มชีวิตให้ถูกต้องตามธรรมะแล้วมันก็เกิดสังคะก็จะเป็นชุมชนของคนที่พัฒนาตัวดีแล้วมีการศึกษาเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งแก่ชีวิตตนและแก่สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ดีก็จะมีสันติสุข เป็นชุมชนของอารยชนที่แท้จริงอันี้การที่จะสร้างสังฆานี้ก็เป็นหลักการใหญ่ของพุทธศาสนานคล้ายๆว่าเรามีสังฆาเป็นรัตนะแล้วเป็นเครื่องเตือนใจว่าเป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะต้องพยายามสร้างสังฆาให้เกิดขึ้นโดยเอาตัวเข้าไปเป็นส่วนร่วมโดยพัฒนาตัวเองขึ้นไปเมื่อตัวเองเราพัฒนาตัวเองขึ้นไปเนี่ย เราก็ไปเป็นส่วนร่วมในสังขารนี้เนีเช่นเดียวกับคนอื่นที่พัฒนาขึ้นไปนั้นการระลึกถึงสังขะก็เป็นว่าโยงมาถึงตัวเราโยงท่างในแง่ที่ว่าตื่นใจใหเห็นว่าอ้อนอกจากพระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลต้นแบบเป็นตัวอย่างแล้วนะก็มีคนอื่นที่ท่านพัฒนาตัวเองได้ตามอย่างพระพุทธเจ้าโดยใช้ประโยชน์จากธรรมะเนี่ยแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นหมู่ชนซึ่งทําให้เราเห็นว่าอ้อ เราก็สามารถที่จะเข้าไปเป็นส่วนร่วมในสังคมชนิดนี้ได้เราก็จะทําได้เช่นเดียวกันเพราะมีปัจจพย า, ยานนอกเหนือจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าวพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นคนพิเศษองค์เดียวละมัง้งที่ทําได้อย่างนี้แล้วก็เหลือก็เลยท้อเนี่ยตอนนี้มีตัวอย่างมีคนอื่นที่เป็นหลักฐานว่าทําได้เราก็มีกําลังใจเพิ่มขึ้นจากสังขะนิดด้วยนี่เป็นอันว่าเมาื่อเราลึกถึงสังขะก็โยงมหาตนเอง ทั้งในแง่ที่ว่าให้เกิดความมั่นใจว่านอกจากพระพุทธเจ้าที่เป็นต้นแบบแล้วก็มีมนุษย์อื่นที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ชี้ให้แล้วก็ได้ประสบความสำเร็จพัฒนากันไปในระดับต่างๆแสดงให้เห็นว่าเรานี้ก็เป็นคนหนึ่งที่จะพัฒนาอย่างนี้ได้แล้วก็ต่อไปก็เตือนใจว่าเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องมาร่วม สร้างสรรค์สังคมแห่งอารยชนหรือคนที่พัฒนาแล้วอย่างนี้ด้วยให้ไปเป็นส่วนร่วมในสังขะนี้สังขานี้เราจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นมานี่นี่ก็เป็นหลักพระธรรตจารยในพุทธศาสนานะก็ไปอ่านว่าหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระธรรมแล้วก็สามพระสงฆ์ที่มาที่ตัวเองเท่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้คนพบธรรมแล้วก็เป็นผู้คนพบทางธรรมก็คือตัวความจริงและทางก็คือ วิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงตัวธรรมหรือเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์แต่ถ้าจะใช้สั้นๆก็บอกว่าค้นพบธรรมก็พอมันโยงไปถึงทางเองแต่บางทีเราก็ใช้เป็นสำนวนพูดซ ะ, ะให้เห็นความหมายเชิงปฏิบัติไปด้วยก็บอกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบธรรมและเป็นผู้ค้นพบทางนีน่ไม่ได้ค้นพบเปล่าๆมาสัมพันธ์กับเราตรงที่ว่าพระองค์ชี้ธรรมและชี้ทางให้เรา ชี้ธรรมและชี้ทางให้เรานะก็คือตัวที่สองเนี่ยนะพระอรจนตรัยข้อที่สองคือธรรมพราะพระองค์ชี้ให้แล้วเราหรือหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็ได้อาศัยธรรมหรือและทางนั้นนะอาศัยความรู้ธรรมและปฏิบัติตามทางนั้นก็มาสร้างมาร่วมกัน กเป็นสังฆ ข, ขึ้นนะหรือเป็นชุมชนอันประเสริฐขึ้นนะก็ครบสามพรนะตำนนะนี่ก็เป็นวิธีพูดอย่างหนึ่งที่ว่าจะให้ครบพระรำตน่รไตรพระพุทธเจ้าคนพบธรรมและทางและชีธรรมและทางให้เราก็อาศัยธรรมและทางที่พระองค์ชี้นั้นมารู้และปฏิบัติให้เกิดมีสังฆชุมชนของอริยชนผู้ประเสริฐขึ้นมานะ อันนี้การที่เราได้ปฏิบัติด้วยการที่ถือหลักพระรัตนตรัยเป็นสระนี้นีก็เป็นคนที่ประเสริฐสามารถที่ดเนมนชีวิตที่ดีงามได้ด้วยปัญญาไม่ต้องรอการบีบคั้นของปัจจัยภายนอกมนุษย์ทั่วไปนั่นจะต้องรอให้ทุกบีบคั้นภายคุกขามจึงจะฝึกตัว ด้วยความจำใจนแต่ว่ามนุษย์ที่เป็นอรรยชนหรือเรียกว่าเป็นอรยาสาวกนี้รู้จักเอาปัจจัยภายนอกมาใช้เป็นเครื่องพัฒนาตัวเองฝึกตัวเองโดยไม่ต้องรอปัจจัยภายนอกบีบคันซะก่อนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นลักษณะแตกต่างอันหนึ่งที่สำคัญนะ เนี่ยที่เราพูดกันมาเมื่อวานนี่ก็พูดถึงเรื่องมนุษย์ทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะต้องรอปัจจัยภายนอกมาบีบคั้น บ, บังคับนะคือทุกบีบคั้นภายคุกคามความจะเป็นในการอยู่รอดจึงได้ฝึกได้หัดตัวเองขึ้นมานะก็ทำให้มีความเก่งกล้า ส, สามารถทำโน่นทำนี้ได้สาหรับหมู่มนุษย์ทั่วไปนี่ถ้าหมู่มนุษย์พวกไหนมีภัย คุกขามีทุกบีบคั้นมากบ่อยก็มีแนวโน้มว่าจะมีความเจริญได้ดีนนอกเสียจากว่าไปโดนาศาสนาให้ที่พึ่งมาสยบพอสยบให้ที่พึ่งก็สบายปลอบใจกล่อมใจตัวเองก็เลยเลิกดิน้นนพวกนี้ก็จะหยุดใ น, นถ้าหากว่า ถูกทุกบีบคั้นภัยคุกคามเช่นธรรมชาติไม่เอื้อนี่บ่อยๆมากๆแล้วก็ไม่มีตัวมาสยบทำให้กล่อมสบายซะแกก็จะดิ้นก็จะสร้างสารความเจริญได้มากนะทีนี้ในพุทธศาสนาเหล่านี้ต้องการให้คนเนี่ยมีความรู้ตระหนักถึงธรรมชาติตัวเองเลยใช้สติปัญญามาสร้างจิตสำนึกในการที่จะฝึกฝนตนเอง โดยไม่ต้องรอทุกบีบคันภายคุกคาม น, นั้นเราก็เลยใช้ประโยชน์จากปัจจัยภายนอกแทนที่จะรอให้ปัจจัยภายนอกบังคับเราให้ฝึกให้ดิน้นเราไปใช้มันเลยใช้ปัจจัยภายนอกให้เป็นประโยชน์ในการเป็นเครื่องฝึกตัวเราอันนี้คือจุดพิเศษของพุทธศาสนาถ้าเราไม่ทำตามนี้<ม>ก็เรียกว่าเป็นคนประมาทใช่ม ดันั้นชาวพุทธนี่น่ากลัวปัจจุบันเนี่ยจะเสียหลักนี้นะฮะก็ไปตกอยู่ในความประมาทถ้าไปรอแบบธรรมชาติเอาแบบว่าทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามนะมนุษย์ที่อยู่ในภาวะที่มีทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามจากธรรมชาติหรือจากหมู่มนุษย์ด้วยกันเองคุกคามกันบ่อยๆคือภัยคุกคามเนี่ยมันก็มีหนึ่งภัยธรรมชาติธรรมชาติที่ไม่เอื้อ ดินฟ้าอากาศที่ทรมานหนาวเย็นอะไรเป็นต้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนมนุษย์ด้วยกั น, นคอยบุกลุกเบียดเบียนกันอยู่เรื่อยอันเนี้ยพวกนี้ก็จะมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะสร้างสรรค์ความเจริญแบบของชาวโลกได้มากส่วนมนุษย์ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่บีบคั้น ไม่คุกคามพวกนี้ก็อยู่สบายๆก็อยู่กันไปอย่างธรรมชาตินั้นไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะอันนี้ก็แบบว่ามนุษย์สามัญแต่ว่าถ้าเป็นในพุทธศาสนาก็ไปอันว่าให้พ้นจากภาวะนิสียไม่ใช่ว่าถูกทุกข์บีบคั้นภายคุกคามก็ดิ้นรนทําไปฝึกตัวเองด้วยความจําใจในการฝึกนั้นก็เป็นทุกข์นะหรือไม่งั้นก็ ไม่ถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็เลยประมาทสวยความสุขอยู่ก็ไม่ไปไหนอีกพุทธศาสนาก็มาเป็นทางสายกลางว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะจะมีชีวิตที่ดีต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองไม่ต้องรอให้ทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามให้รู้จกักฝึกฝนพัฒนาตนเองโดยเอาปัจจัยภายนอกมาใช้เป็นเครื่องมือฝึกตนให้เป็นประโยชน์ การฝึกนี้ก็จะเป็นไปได้เต็มใจเพราะออกมาจากจิจตใจตัวเองสมัครใจและมีความสุขในการฝึกนะอย่างนี้ก็เรียก่าเป็นทางสายกลางใช่เป็นทางสายกลางทางของสติปัญญาสอดคล้องกับความเป็นจริงของกฎธรรมชาตินะเวลาพูดอย่างนี้ก็ทำให้นึกในใจถึงว่าสังคมฝรั่งที่ถูกทุบบีบคั้นภายคุกคามโดยธรรมชาติ และในมุมมนุษย์เบียดเบียนกันเนี่ยทำให้เขาดิน้นรนขนขวาสร้างความเจริญแบบสุ่มสี่ซุ่มห้านีคือแบบที่ว่าไม่มีหลักที่เป็นปัญญาแท้จริงเป็นปัญญาเฉพาะเรื่องอเฉพาะเรื่องไม่เป็นปัญญาที่เข้าใจความจริงของชีวิตและโลกก็เป็นความเจริญแบบรุ่มรุ ม, ร ม, รม ด, ดอนดอนเป็นประโยชน์แท้จริงบ้างไหมเป็นประโยชน์บ้างแล้วก็มานึกถึงสังคมอย่างของไทยเราที่ธรรมชาติเอื้ออํานวย ทุบบีบคานภผยคุกคามน้อยก็เลยเลื่อยเลืยเปื่อ ย, ย, ย, ยสบายไปโน้มไปในทางที่จะอยู่ในความประมาทนะทำไงเราจะให้เกิดความพอดีอันนี้นะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีพระจันตรัยไว้เป็นสรณะต้องหมั่นเตือนกันเพราะเราไม่ใช้พระจันตรัยมาเป็นสรณะให้เป็นประโยชน์ทั้งทที่พูดถึงพระจันตรัยก็พูดกันไปอย่างนั้นใช่ไหมดีไม่ดีก็ไปนึกแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาเก่าสําหรับว่าจะได้ไปพึ่งขอร้องขอความช่วยเหลือ ให้ไปท่านให้ท่านทำให้เราแล้วก็เราก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ได้เตือนจิตเตือนใจมาให้นึกถึงสิ่งที่ตัวเองจะต้องมาทำและช่วยกันทำเนี่ยแม้แต่หลักแรกในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าใช้ถูกต้องมันก็เดินหน้าไปเลี้วเลยเพราะมันโยงไปหาหลักการพุทธศาสนาทั้งหมดนะในยุค ป, ปัจจุบันนี้ก็เป็นปัญหาที่ชาวพุทธนี้แม้แต่หลักแร ก, แรกคือพระรัตนตรัย ไตรสรณะนี่ก็เข้าใจไม่ค่อยถูกต้องแล้วนอกเมื่อไม่เข้าใจถูกต้องก็ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทําให้ถ้าใช้ถูกก็จะดําเนินชีวิตเข้าแนวทางของพุทธศาสนาเข้าสู่ไตรสิกขาแล้วก็ดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็จะเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดเนี่ยจะคลุมไปหา จุดเบื้องต้นก็เริ่มมาจากการที่ว่าพระรันตนใจนั้นโยงเราเข้าหาตัวธรรมะความจริงในกฎธรรมชาติที่ว่าและเมื่อวานนี้ก็พูดให้เห็นว่าธรรมะความจริงในกฎธรรมชาติในความเป็นจริงของธรรมชาติรอบตัวนี้เข้ามาสัมพันธ์กับชีวิตของเราเน่ยเมื่อมนุษย์จะมาใช้ประโยชน์นั้นจะออกรูปเป็นหลักการที่เรียกว่าอริยสัตว์เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเมื่อเราลึกถึงพระรันตนใจ เป็นสารณะเป็นที่พึ่งแล้วก็จะโยงเราเข้าสู่ธรรมะในหลักที่เรียกว่าอริยสัจเพื่อมนุษย์จะได้ใช้ประโยชน์จากธรรมะได้ตอนต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องอริยสัจกันคิดว่าเช้านี้เอาแค่นี้ก่อนเป็นการทบทวนเรื่องพระรัตนตรัยและไตรสรณะนะระรัตนตรัยก็คือการที่ยึดถือเอาว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าแท้จริงทำให้ชีวิตของเราดีงามประเสริฐเลิศได้แล้วก็มีสาประการคำว่าไตรก็แปลว่าสามแล้วตะนาไตรก็แปลว่าดวงแก้วสามดวงแล้วก็เรียกว่าเป็นสรระเพราะเรามาใช้ประโยชน์ในแง่เป็นเครื่องเตือนใจระลึกสาระแปลว่าเครื่องระลึกที่ระลึกเราแปล ง, ง่ายๆว่าที่พึ่ง ก็คือเตือนใจให้โยงไปหาสิ่งที่เราจะต้องทําและเพราะมีสามอย่างก็เรียกว่าไตรสรณะนะแล้วเมื่อไปยุดอาพระธรรมใจนั้นเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกเตือนใจอย่างนี้ก็เรียกว่าไตรสรณาคมหรือไตรสรณาคมตัวคำนะหรือคมหรืออาคมนะอาคมแปลว่าถึงนะตัวคมนะนั่นเองแปลว่าถึงก็คือไปนะถึง ไปก็ถึงนี่แบบสาบรีใช้สับเดียวกันได้แล้วอาเติมเข้าไปว่ามาก็คมานะก็ไปถึงอาคมานะก็มาถึงถ้าเติมคมานะเข้าไปข้างหลังการนตัวนอซะ ก, ก็เป็นคมก็มาต่อท้ายไตรสรณะก็เป็นไตรสรณคมแปล ว, ว่าการไปถึงพระรัตนาการไปถึงไตรสรณะคือถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสง่์หรือรัตนาสามนั้นเป็นสรณะ ถ้าเป็นไตรสรณาคมก็มาถึงก็หมายความว่ามายึดถือเอาพระรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมม์ส่งเป็นสรณะนะมีสามประการอย่างที่ว่ามาการจะหลับหลักได้นี่อย่างหนึ่งก็คือการรู้ภูมิหลังว่าพุทธศาสนาเกิดอย่างไรแล้วการยึดถือสรณะที่พึ่งแต่ก่อนเขายึดถือกันอย่างไรเราก็จะเห็นชัดว่าเขายึดถือกันอย่างไร ใช่ไหมหวังพึ่งรอคอยความช่วยเหลือให้ท่านบรรดาลให้มันก็อยู่อย่างเงี้นะฮะมันก็เรื่องที่พึ่งก็จะเป็นอย่างเงี้ที่เรมามองพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งดีไม่ดีก็ไปแยกไม่เป็นก็เลยนึกแบบเดียวกันนะ้ะก็ให้พระพุทธเจ้าบรรดาลให้ตัวเองก็ไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมแทนที่จะนึกว่าพุทธศาสนาเปลี่ยนความหมายให้แล้วพึ่งโดยไปอาศัยท่านเพื่อท่านจะได้นําทางให้เราเป็นอิสระนะ โยงมาหาตัวเราต้องทำแล้วก็ยกขึ้นไปนะฉนนั้นลักษณะสามอันก็หนึ่งชี้มาที่ตัวเราโยงมาหาตัวเราที่เราจะต้องทำสองอาศัยเพื่อให้เรานี้ไปสู่ความเป็นอิสระไม่ใช่ไปอาศัยขึ้นต้นท่านตลอดไปสามเมื่อยึดแล้วต้องดึงขึ้นไม่ใช่ว่าให้จมบนเวียนอยู่เก่านะ คนทเพบชีเกียร์ธรมาหากินเนี่ยใช้ปนลงทุนทูท่เทนั่นเองต่เราพระเองต้องปฏิบัติให้ถูกคือพระต้องรู้แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับญาติโยบประชาชนด้วยความเมตตากรุณาอย่างน้อยคนเขายัางไม่พร้อมก็ต้องให้เขาได้อาศัยบ้างถ้าเรารู้อยู่ว่าเขาต้องการสิ่งที่มาปลอบประโลมใจก็ให้เขาได้บ้าง แต่ว่าจะให้เขาตันอยู่ที่นั่นจุดสําคัญคืออยาให้ตันให้จมให้บนว่าทํายังไงจะให้เขาได้ส่วนนี้แล้วก้าวต่อไปส่วนที่เดินหน้าจึงบอกว่าให้ยุดเหนี่ยวได้แต่ต้องดึงขึ้นนี่คือจุดสําคัญอะ่ะทีนี้ว่าสำคัญแล้วพอไปยุดเหนี่ยวแล้วก็จมอยู่ที่นั่นแล้วตัวเองพาเขาจมหนักที่นี่จุดนี้สําคัญเอาละเขาจะมาพึ่งก็ให้เขาปลอบประโลมใจเนี่ยเขา มีทุกข์มีเดือดร้อนแล้วเขามาหาพระมาไหว้มาอะไรก็ยังดีกว่าเขาไปทําชั่วทำร้ายใช่ไหมเอเกิดเขาไม่มาอย่างนี้ล่ะเขาอาจจะไปกินเหล้าเมายาทําลายตัวเองหนักเข้าไปแต่ดันใช่ไหมเพื่อจะหนีทุกข์หรือเขาอาจจะเกิดความเครียดแค้นอะไรจารอะไรอารวาสใช่ไหมดีไม่ดีสติเสียไปเจออารวาสยิงฟันคนบนเมืองฝรั่ง ฝลั่งตอนนี้มันมันไม่มีหลักยึดศาสนาเก่าตัวเองก็ไม่เชื่อไม่เอาแ้่ศาสนาพระเจ้าพระเจอาเป็นจิ๊กเจ๊งเลยนี่ฝรั่งไม่เอาทีนี้เองสังคมปัจจุบันก็บีบรัดมีทุกข์มากทุกข์มากก็ทําไงละ่ะไม่มีไอ้เครื่องที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจนะคือศาสนาโบราณไม่ใช่ไม่ไม่มีประโยชน์เลยมีนี่อนนี้ตัวเองไม่รู้จะไปไหนวันนี้ก็ ฟุง้งซ่านว้าวุ่นใจออกกลายเป็นโรคประสาทเสียสติใช่ไหมนี่ถ้าได้สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแม้แต่กล่อมมันก็ทำให้เพลินๆสบายมันก็ไม่เสียสติเพราะเสียสติมันก็อาลาวาดทีนี้ไปเอาปืนมาเอาแล้วขึ้นหลังคากลาดมันเลยไม่รู้ใครมาใช่นี่เมืองฝรั่งเป็นอย่างนี้เลยอเมริกา น, นนี้ก็เป็นเครื่องหมายเห็นว่าแม้แต่ศาสนาอย่างบุพการก็ยังเป็นประโยชน์ พราะมนุษย์เหล่านี้มีทุกข์มีภัยบีบคั้นมันต้องการให้ใจสงบอย่างน้อยมันก็ได้มีที่อย่างที่ว่ายึดเนี่ยวเนี่ยใจมันจะได้อยู่บ้างปลอบประโลมว่ามีความหวังมันก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ทําให้จิตสงบแต่ว่าเพระศาสนาก็เล็งเห็นว่ามันยังมีโทษอยู่เพราะมาจมอยู่นี่ต่อไปมันเพลินประมาทใช่ไหม ดังนั้นการแก้ปัญหาที่แท้จริงไม่สำเร็จพราะพระพุทธเจ้าจะบอกนี่ไม่ใช่สาระอั น, กนเกษมคุณได้แต่ความสบายใจเพลินอยู่มันไม่ไปไหนมันไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงจะ แ, แก้ปัญหาที่แท้จริงคุณต้องใช้ปัญญาคุณต้องรู้ความจริงคุณต้องเข้าถึงตัวความจริงในกฎธรรมชาติความเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยแล้วแก้ปัญหาที่เหตุปจัจจัยสิใช่ไหมะฉะนั้นใจสงบเอาละได้ขั้นหนึ่งแต่ว่าต่อไปนี้ใช้ปัญญาเรียนรู้ศึกษา ปฏิบัติถูกต้องนัพระก็อ้าวเขามาหาหลวงพอธธอ่อโสธรอ่าเออเอาละได้ประโยชน์ขั้นหนึ่งละใจเขาจะได้สนงบดีกว่าที่จะออกไปกินเหล้าเมายาไปกล่อมด้วยสิ่งเสพติดที่เสียหายไปกินยาบ้านี่ไม่ดีเลือเสียสติไปอาลวาดไปทําร้ายคนอื่นไม่ดีเท่านั้นเอาละได้ส่วนหนึ่งแต่ทําไงจะให้เขาได้หลักการได้ปัญญาต่อนี่ตรงเนี้ยพาต้องคิดให้มากใช่ไหมฮะจึงจะนําเข้าสู่พุทธศานสนา จุดต่อขคนนี้เราไม่ได้เราได้แค่เอาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มาให้เขายึดถือแล้วก็จมอยู่ตรงนีน้ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมมีประโยชน์อยู่แต่ว่าทําไงจะให้พระใช้เป็นแต่ไม่เฉพาะพระเท่านั้นแม้แต่ชาวพุทธๆไปก็ต้องใช้ให้ให้เป็นบันไดสักก้าวต่อไปเกี่ยวได้ลาบทีนี้ถ้าพระไปมีเจตนามุ่งลาบเสด็จบกัน ก็เอาชาวบ้านเป็นเหยื่อสิทีนี้ใช่ไหมมันก็เป็นมองในระบบผลประโยชน์เพราะคนที่หาราบก็คือมีความโน้มเอีงที่จะเอาเพื่อนมนุษย์เป็นเหยื่อถ้าไม่แย่งก็เอาเป็นเหยื่อนีเน่ยคืออย่างหนึ่งก็คือว่าต้องแย่งกันแต่ละคนก็ต่าง ก, ก็มีความสามารถแต่ละคนต่างาจะเอาก็แย่งกันทีนี้ถ้าตัวมีอุบายวิธีมีปัญญาคิดขึ้นมาได้เปรียญจะกการแย่งไปเอาเขาเป็นเหยื่อเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่แสวงหาราบ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันระบบผลประโยชน์เนี่ยก็จะมีแนวความคิดทัศนกติสภาพจิตแบบนี้สภาพจิตที่แย่งการเหยื่อนะฮพี่หลวงตาว่าคงยิ่งพีพ่จะผ่านนี้ที่ปัจจุบันเป็นกันก็นั่นแหละก็มันก็ลักษณะการหาเหยื่อชนิดหนึ่งใช่ปะ่ะใช่ไหมฮะแต่ว่าอาจจะพูดรุนแรงไปหน่อย <laughs> ไม่รุแร่ฮะดันั้นก็ต้องระวังว่ารพระทำไงจะ มีจิตที่ปรารถนาดีต่อประชาชนด้วยจริงใจอยากจะให้เขาได้ประโยชน์กับชีวิตมีนชีวิตที่ดีงามดงขึ้นหน้าที่ในคิดหกหมวดสุดท้ายสมณพราหมณ์ถึงอนุเคราะห์กุลบุตรโดยสถานหกก็มีอยู่ข้อสี่ว่าอนุเคราะห์ด้วยจิตปรารถนาดีใช้ไหมถือไหมก็าไม่ได้คิด หวังร้ายไม่ได้คิดหาประโยชน์จากเขาคิดแต่ว่าทําไงจะให้เขาเจริญงอก ง, งามในชีวิตที่ดีอย่างที่พระแต่กระฐานจารท่านยกตัวอยา่ยางพระท่านจะคิดหวังดีแต่ญาติโยมญาติโยมมาวัดญาติโยมที่เกี่ยวข้องญาติโยมที่เล่าจะได้ไปปฏิบาาณณัติศานนกิจที่จะรู้จะถึงจะสัมพันธ์ได้ทําไงจะให้เขามีชีวิตดีงามจริงๆไปมีแม้แต่ถ้าบอกว่ามีพระที่อื่นที่ท่านเป็นผู้รู้ทรงคุณธรรม ตัวเองเราไม่สามารถแนะนําเขาได้เกินกว่า น, นี้ก็บอกเขาว่าเออมีท่านผู้รู้ที่นั่นนะลองไปหาท่านให้เป็นท่านไปถามปัญหาไปฟังคําสอนยอย่างนี้ถือว่าอนุเคราะห์ด้วยจิตปรารถนาอย่างสมัยปัจจุบันก็สามารถแนะนำํำญาติโยมว่า เ, าเออมีหนังสือดีๆนั่นๆนะจะได้รู้เข้าใจแก้ปัญหาชีวิตได้ได้รู้ธรรมะได้ได้หลักได้เกณฑ์จะได้เอามาปฏิบัติได้ใช่ไหมนี่ก็เป็นการอนุเคราะห์ด้วยจิตปรารถนาดี ทาหน้าที่กัละยานามิตรก็เอานะเดี๋ยวจะพูดเลยไปอีกเนี่ย